sees a ปต้นขาทั้งสองข้างนักแข่งข้อเท้าไปจนถึงปลายเท้าทั้งสองข้าง นอนสูดลมหายใจใจเข้าช้าๆหายใจออกสบาย ใจให้ช้าลงอีกนิดนึง เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ละสังขารร่างนีง้ไปขอให้เรามีสติรู้มีกลับลมหายใจและสิงนักข่า การของโยมมันก็ยย้จะแตกดับแล้วนะหยู่ไม่นานก็ทำทลายลงมาโยมคงใจยึดเหนี่กัมันต่อไปไม่ได้แล้วอยาไปยึดเป็นเหนียวมันนะตอนนี้ได้เวลาแล้วลนะ่ะที่จะต้องปล่อยต้องวาง เดี๋ยวไปยึดเดไปห่วงเดี๋ยวไปห่วงแหนต้องสลัดทิ้งได้แล้วตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งของโยมได้นอกจากจิตใจของตัวเอง ใจมาปกครองอยู่กับสติเอาไว้ปกครองเหลืความรู้ตัวทุกขณะในโยนจะไปห่วงอะไรทั้งสิ้นแล้วสลัดวางให้หมด เอาสติเป็นที่พึ่งอย่างเดียวรู้รู้อยู่ตลอดเวลาเวทนาตอนนี้มันกำลังแรงกล้านะไม่ยอมรับนะว่ามันเป็นธรรมดา อย่าไปพยายามผลักสายมันนะตอนนี้ให้อยู่กับตัวรู้อย่างเดียวรวมรวมสติทั้งหมดให้มาเป็นเครื่องรักษาใจสติที่โยมได้อุตส่าห์สะสมเทียเพียรปฏิบัติมา ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่จะต้องรวบรวมออกมาเป็นที่พึ่งให้เป็นเครื่องรักษาจิตประคองใจเอาไว้ให้ปักหลักอยู่กับตัวรู้นี่แหละเวทนาเกิดขึ้นตอนนี้มันจะรุนแรงแค่ไหนก็ตาม อย่าให้ใจพลักหลง้าไปในเวทนานั่นนะอย่าไปคิดแม้แต่จะผลักใสเวทนานนะตอนนี้โยมสิ่งเดียวที่จะต้องทาก็คือประคองจิตอยู่กับสตินั่นแหละเวทนามันจะกล้ากลายใจของโยมไม่ได้ถ้ามีสติประคองใจ ตอนนี้พายุมันแรงนะแต่จะไปกลัวเหนืงใจไว้กับสติรู้อยู่ตลอดทุกอยา่างไม่เอาไม่มีไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ผักใส อยู่กับสติกนี่แหละกลายมันจะปั่นป่วนแค่ไหนอารมณ์ความรู้สึกจะปั่นป่วนแค่ไหน่าไปกลัวนะรู้เฉยๆให้รวบรวมความมั่นใจในตัวเอง รวมความมั่นใจในสติประคองจิตไว้กับตรงนั้นแหละให้สติเหมือนกับสมอง ส, สติที่เป็นสมองของใจนี่แหละที่จะช่วยให้ใจไม่พลัดเข้าไปในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่พลัดเข้าไปในเวทนา พยายามถอนใจมันนะอย่าไปพลักเข้าไปในเวทนานันมันไม่น่ากลัวหรอกเวทนาถ้าโยมมีสติตื่นรู้อยู่เสมอไม่มีอะไรที่น่ากลัวไม่มีอะไรที่จะทำร้ายโยมได้ ควาจ็อยู่กับตัวรู้นี่แหละความเจ็บความปวดนะเขากำลังมาเตือนโยนนะเขากำลังมาเตือนโยนว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดถือได้ ยึดมื่อไหรก็ปวดเมื่อนั้นยึดมื่อไหรก็เจ็บเมื่อนั้นเขากำลังมาเตือนโยมนะว่าให้ปล่อยซะสังขารร่างกายทั้งหลายทั้งปวงแล้วไม่มีอะไรที่ยึดถือได้เลยตอนนี้แหละ ย, ยึดถือมาแล้วก็เจ็บเมื่อนั้นแหละ ถือมันแล้ก็ปวดมันนั้นปล่อยให้หมดใจเราจะได้เบาใจนี้เบาได้นะโยมทำมันใจในสติที่โยมได้เพียรพยายามรักษามาตั้งสติไว้ให้มั่นปรคองสติเอาไว้ให้รักษาใจ ถ้ตอนนี้กำลังพักเข้าไปในเวทานาก็ถอนลงมันนะดูเฉยๆรู้เฉยๆไม่ต้องสนใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวรอบใจไม่ต้องสนใจแล้วนะว่าจะไปไหนดูกับสติอย่างเดียวรู้ โยมรู้สึกถึงลมหายใจัหมเอาสติ ม, มาลู้ที่ลมหายใจก็ได้เอาสติ ม, มาเป็นสมอเกาะที่ลมหายใจนี่แหละกำหนดด้วยก็ได้นะหายใจเข้านะโยมพุทธหายใจออก โทหายใจเข้าออพุทธหายใจออกโทดูความสตกนี่แหละอยู่กับลมหายใจนี่แหละไม่ต้องห่วงอะไรข้างหน้าไม่ต้องกลัวอะไรกับตอนนี้ แต่ยังสู้เวทนาไม่ไหวก็มาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรพุทธนะโทร ทนนต้องปวงนะครูบาจารย์ของโยมตอนนี้ก็กำลังจะแผ่จิตแผ่ใจมาเป็นกำลังให้กับโยมละตอนนี้ไว้รวรวมความมั่นใจทั้งหลายประคองจิตอยู่กับลมหายใจให้มีสติรู้ อย่าไปกลัวอะไรทั้งสิ้นไม่มีอะไรที่น่ากตัวพยมอยู่กับตัวรู้รู้ทัดกลับไปแล้วก็รู้ออกมา ต่อไปกลมารู้ใหม่ สวัสด so ี